ในขันธบพะนั่นเองซึ่งพระพุทธพจน์ในขันธบพะนี้นับว่าแสดงแบบอุเทศจริงๆแสดงแบบคนประเภทอุคติตันยูนั่นนะคือพระองค์ตรัสว่า อ, าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปนั่นนะอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนา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 พิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งควา ม, มเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างแล้วก็พระพุทธพจน์ในขันธบัพะก็นับว่าแสดงแบบย่อมากเนี่ยนะย่อลักษณะนี้ก็เรียกว่าย่อแบบบุคคลที่ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้เป็นอุกติตันยุบุคคลจริงๆเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ อุปนิสัยเก่าสะสมมามากเนี่ยนะอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะชาตินี้ก็ต้องเป็นหูสูตรมากจริงๆจึ ง, จ, งจะฟังแล้วเข้าใจ ท, ทันทะีนนะคือฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะเราเอาไปปฏิบัติตามได้หรือว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปเนี่ยนะถ้าเราจะไปพิจารณานี้จะไปทำยังไง จะไปคิดยังไงไปตรึกอย่างไปตึกยังไงไปเจริญยังไงไปมนัิการว่ายังไงเออนี้รูปเนี่ยนะผู้ที่จะพิจารณานี้ต้องมีความรู้อย่างน้อยที่สุดว่ารูปคือภูตรูปกับอุปาทายรูปเนี่ยนะภูตรูปคืออะไรก็คือปัทวีอาปโปเตโชและวายโยเนี่ยนะปัทวีมีเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไล่ไป คืมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วจึงจะมาม า, มาฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจอ่ะนะอันนี้รูปเฉยๆนี่นะถ้าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเลยว่ารูปเกิดขึ้นแล้วยังไงทําไมรูปจึงเกิดขึ้นเพราะคําว่านี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นธรรมะระดับสมุทัยวาระเลยนี่นะระดับสมุทยะวาระอย่างนี้ความดับแห่งรูปนี่หมายถึง นโรทวาระเพราะฉะ น, น, นี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปฟังแค่นี้ต้องมองปฏิจจสมุปบาทออกเลยนี้ความดับไปแห่งรูปนี่นะสมุปตปฏิจจสมุปบาทสายดับนี่ต้องมองออกทันทีเลยนะคนที่มีความเข้าใจขนาดนี้จึงจะไปไปเจริญได้นี่นะเจริญได้ไปคิดได้ไปไปใส่ใจในคำสอนอันนี้ได้ได้ได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนีนะ แต่ความรู้ไม่พอก็นี้รูปเออก็นี้รูปอะ่ะเอ้าก็รูปอะ่ะก็ไม่ใช่รูปที่ไหนก็รูปอ่ะก็ก็ได้เท่านี้แหละต่อไปอีกก็ไม่ได้เลยะ <c oughs> <c oughs> ก็บัพพาี้ใครไปเจริญมาเป็นพิเศษบ้างนะคือคนที่เจริญบัพพาี้เป็นคนที่ประมวลบัพพระก่อนๆมาได้มากเลยนะเช่นนี้รูปกายานุปัสสนาสิบสี่บัพพาก็ต้อง ต้องประมวลมาได้ว่ารูปมีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุ๋ยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะนี่คือรูปนะ น, นะรูปมันจะรูปไหนไหนก็เหมือนกันน่นแล้วนี้เวทนาเนเวทนาเก้าก็ต้องเข้าใจเลยนะโอเวทนาทั้งเก้าเป็นยังไงหรือวันนี้วิญญาณเนี่ยนะจิต16ประเภทก็จำแนกแยกแยะได้เลยส่วน สัญญากับสังขารก็คือเช่นสังขารขันก็คือนี่นิวรนนี่นิวรนห้าที่ที่เป็นสายอากุศลนะสังขารที่เป็นอากุศลถ้าสังขารที่เป็นกุศลบอกนี้พชชมก็พิจารณาแล้วก็เจริญแต่ถ้าเอาไปเจริญไม่ค่อยได้จริงๆก็ไปศึกษาขันทวรวักนะนะของเราก็จะเอาขันทวรวั สั่งยุตนิกายมาสแสดงนซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นก็ได้กล่าวไปแล้วบ้างแล้วตั้งสองสูตรเนาะสูตรแรกกล่าวถึงสมาธิสูตรใช่ไหที่พระองค์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่ยอมรู้ชัดตามเป็นจริงน่นให้ไปเจริญสมาธินะแต่ถ้าใช้คาว่าสมาธิเนี่ยนะเราจะนึกถึงอะไร ก็นะผู้ที่เรียนธรรมะมาบ้างก็นึกถึงสมถะสีวิธีที่ที่ท่านแสดงเอาไว้ก็นะแต่ถ้าใครเคยไปเจริญยังไงมาก็คิดถึงสิ่งที่ตัวเองเจริญนั่นแหละเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วศัพท์เดียวกันเนี่ยถ้าใครเข้าใจยังไงก็โน้มเอียงที่จะไปเข้าใจแบบนั้นอันคําว่าสมาธิโดยศัพ์หรือโดยความหมายก็หมายถึง การทำให้จิตเจตสิกไม่กระจัดกระจายเกลื่อนกลนั <heures> <meter> ่นแหละก็สมาทานังเหมือนกันทำให้จิตเจตสิกมันไม่เกลื่อนกลนมันไม่วุ่นวายนะจัดระเบียบจิตและเจตสิกแต่ถ้าศีลนะก็สมาทานังเหมือนกันจัดระเบียบกายวาจาและอาชีพนั่นแหละให้ให้มันมันมันไม่กระจัดกระจายไม่เกลื่อนกลนเสียหายถ้าสมาธิก็ไม่ให้จิตเจตสิกนี่มันกระจัดกระจายนั่นแหละ ทนี้การที่จะฝึกให้จิตเจตสิกเนี่ยนะกะจ็จะไม่กระจัดกระจายแล้วก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องถามว่าทํายังไงบ้างท่านก็เลยบอกวิธีเช่นการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะคือการที่ใส่ใจในคําสอนได้ยาวในในคุณของพระพุทธเจ้าได้ยาวๆอย่างต่อเนื่องอะ่ะอย่างนี้แหละเป็นการทําจิตให้เป็นสมาธินี่แหละหรือไปเจริญเมตตาเนี่ยนะใส่ใจโดยความเป็นเมตตาให้ยาวให้ต่อเนื่อง เพราะในขณะที่ใส่ใจโดยเมตตาจิตเจตสิกก็ไม่เกลือกล่อนกลนกจัดกระจายเนี่ยนะก็จะเป็นธรรมชาติที่สงบทีนี้นเมื่อจิตสงบดีแล้วเนี่ยนะก็มาพิจารณามาใสา่ใจถึงความเกิดและความดับอย่างที่พระองค์ว่าถ้าจิตตั้งมั่นหรือจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง รู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงก็รู้เห็นความเกิดความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงทีนี้ในสูตรนี้ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าการรู้เห็นความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงนี่เป็นอย่างไรคือเราคงไม่ไม่ไป น, นึกถึงเฉพาะนี้อุปาทะถีติพังคะเกิดดับแบบนี้นะว่าเออนี่ แสงมันเกิดดับเร็วเท่าไหร่นะคุณบุญมีอันนี้นีออนเนี่ยหนึ่งวินาทีนี่มันกี่ครั้งนด น, นัต่อนาทีอ๋อ <c oughs> อ๋อการอาการเดิน น, นนะนานะนี่นนวินาทีละห้สวินาทีละครั้งนะแสงนีออนที่กระพริบกระพริบกระพริบกันอยู่นี่นะแต่ว่าไอห้าสิบครั้งก็นับวเร็วจนดูไม่เหมือนไม่กระพริบอะไรเลยเหมือนคงเดิมใช่ม แต่คุณมนมีต่อบว่าแสงเดินทางไนดะ้เป็นแสนกิโลเมตร น, นะน่แสงอาทิตย์กันไหม น, นังว่าอยู่ห่างจากโลก93ล้านไมล์นังว่าที่เราพูดนี่แกไม่ได้สกิดตามเลยนะไปคิดเรื่องอื่นเลยนะรเรามานั่งด้วยกันนะเราคิดไปตามธาตุพเพราะในความความว่าเกิดดับเร็วแบบนั้นไม่ประสงค์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ แต่คําว่าเกิดดับในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงการเกิดขึ้นแห่งรูปถ้าใช้คําว่าเกิดเนี่ยสิ่งที่เราควรควรจะคิดเนี่ยคืออะไรถ้ารูปนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยน ะ, ะการคิดธรรมะเนี่ยนะเราต้องทิ้งภาษาบาลีไม่ได้จริงๆถ้าศัพท์ว่าเกิดเนี่ยภาษาบาลีว่างไงชาติใช่ไหมต้องชาติ ถ้าถ้ารูปเกิดเฉยๆนะคือชาติของรูปมันเป็นยังไงแล้วการก่อตัวขึ้นครั้งแรกของรูปเนี่ยตั้งแต่ไหนเนี่ยนะแล้วทําไมรูปเหล่านั้นมันจึงก่อตัวกันขึ้นได้เนี่ยนะเช่นอกกันติคเนนามะรูปังอัญญามัญย์เนี่ยนะอัญญามัญยะปัจเยนะปัจโยเนี่ยว่าในในขณะปฏิสนธิขณะนามกับรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจอัญญมัญยะปัจจัยเนี่ย ้ทำไมรูปจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นได้เนี่ยนะรูปนี้มีอะไรเป็นปัจจัยเนอแล้วรูปพอมันยังลงสู่คันแล้วมันเจริญเติบโตไปยังไงอย่างที่คําสอนว่าแรกๆ ก, ก็เป็นกาลละหลังจากนั้นก็เป็นอพุธาเป็นเปสิกเป็นนก็ไล่มาเรื่อยๆ น, น, นะรูปเหล่านั้นก็เจริญเติบโตมาโดยลําดับแล้วปัจจัยอะไรทําให้รูปเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นเนี่ย น, นะก็ตัวที่ทําให้เกิดก็อวิชาตันหากรรมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้เกิด แต่ที่เจริญเติบโตขึ้นก็อาศัยข้าวสุกขนมสดที่แม่รับประทานเข้าไปเนี่ยนะสืบท่อตังให้ให้ทารกได้รับประทานก็เจริญเติบโตขึ้นก็อาศัยอวิชาตันหาแล้วก็ผลบุญเก่านะทำให้รูปก่อตัวขึ้นผลบุญเก่าอะคือกรรมนะกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารก็อาศัยอาหารหล่อเลี้ยงมาตลอด และรูปรูปก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาอย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะตามตามอายุไขทีนี้เราก็มาเรียกกันว่าอายุเนี่ยนะอายุมากขึ้นคําว่าอายุนี้หมายถึงอะไรจะคิดถึงอะไรอายุนี้เป็นชื่อของชีวิตดินซีเนี่ยนะอายุคือชีวิตดินซีกับไออุ่นคือเตโชธาที่เกิดจากกรรมแล้วก็จิตเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าใช้คำว่าอายุเฉยๆก็หมายถึงชีวิตตินซีเนี่ยนะชีวิตดินซีขึ้นมาเรื่อยๆมีอายุอายุก็ตามวัยใช่ไหมถ้าใช้คำว่าวัยอีกก็บอกว่าแล้วอยชีวิตดินซีนั้นเสื่อมไปเท่าไหร่แล้วเช่นว่าคนนี้มีอายุห้าปีหรือวัยห้าปีเนี่ยก็แสดงว่าเสื่อมมาห้าปีแล้วนั่นแล้วก็บอกกําหนดได้เลยยิ่งเกณฑ์นในยุคนี้อ่ะบอกไม่เกินร้อยปีแน่เนี่ย ไม่เกินร้อปีก็บอกว่าเท่ากับบอกว่าได้มาเท่านี้เหลืออีกไม่เกินเท่านี้เนี่ยนะก็กำหนดแต่ว่ามันไม่แน่นอนเสมอไปใช่ไหมว่าจะต้องครบเกณฑ์อย่างยุคนี้ก็เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมๆก็ประมาณเจ็ดสิบนะกว่าปีเนี่ยนะแต่คนที่เจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยมีให้เห็นไม่ถึงกับมากนะักแต่ว่าไอ้ที่ไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมากกว่าก็ใครที่มีเพื่อนก็น่าจะ สังเกตได้เลยว่าไอ้ที่อยู่กับที่ไปเนี่ยไหนมากกว่านนะนะก็บางคนก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยตายจากไปมากกว่าบางคนก็เหลือมากกว่านันะนะทีนี้รูปทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาในลักษณะนี้นะโดยที่อาศัยข้าวสุกและขนมสดหล่อเลี้ยงมาทีนี้มนุษย์ทั้งหลายในยุค น, นี้ก็ให้ความสำคัญกับไอ้ข้าวสุก ข, ขนมสดหรืออาหารที่เรานิยมทั้งอาหารนั่งยาเนี่ยนะนะ ท, ที่มาบำรงให้รูปเหล่านี้เจริญขึ้นนะซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารเป็นปัจจัยสาคัญที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปแต่เนื่องจากพื้นฐานปกติไม่มีกรรมสศกตาเนี่ยนะนะไม่มีกรรมสกตาแล้วก็ไม่มีการพิจารณาปฏิจจสมุปาฏารเมื่อไม่มีการพิจารณาก็เลยไม่ได้สาวไปหากรรมที่ที่เป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดด้วย ไม่ได้เลยไปหาว่ารูปแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีตันหาเป็นปัจจัยนะเนี่ยนะที่เจริญเติบโตแบบนี้เพราะไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเพราะการตรัสรู้อริยสัจมันเป็นการห้ามความความเกิดเหล่านั้นคือไม่รู้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยเพรา ะ, ะนั้นก็นำเนินชีวิตเนี่ยนะด้วยอวิชชาตันหาแล้วก็กำรรหล่อเลี้ยงมาอาหารดก ทีนี้พออินทรีย์เหล่านี้จเจริญเติบโตขึ้นรูปที่เป็นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจชาวนะจิตก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดใหม่เกิดความคิดขึ้นเนี่ยนะความคิดเหล่านั้นก็เป็นสมุทฐานให้ล่วงมาทางกายบางทางวาจาบ้างกายวาจาเหล่านั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อตรัสรู้อะไรเลยเนี่ยก็เป็นกายวาจาที่ไม่ได้เป็นไปกับ ศีลสมาธิและปัญญาไม่ได้เป็นไปกับไตรสิกขาเมื่อไม่เป็นไปกับไตรสิกขาก็แปลว่าใช้ชีวิตดําเนินด้วยรอยเก่ารอยเก่าอีกก็คืออะไรเมียวิชาเป็นเป็นเบื้องหน้าอีกอยู่ดีเนี่ ย, ยก็ถูกพระองค์อุปมาว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะ เ, เหมือนกับไข่เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยนะมันก็ถูกห่อแล้วตลอดแล้วก็กลิ้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ อาวิชานี่ห่อไว้หมดนนะนะแล้วก็เพลิดเพลินไปเรื่อยๆเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการชื่นชมอารมณ์นะนะพอได้รับอารมณ์ก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำไปนะนะก็อย่างนี้แลว้ววตะมันก็เจริญไปอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีจบด้วยว่ามันจะจบเมื่อไรนะนะพอรูปนี้ทำลายไปรูปใหมก่ก็เกิดอีกถามว่าทาไมเพราะว่าเหตุนี่ทาไม้มากนนะ ไม่ต้องห่วงว่าตายแล้วจะไม่ได้รูปอีกนะแต่ว่าจะได้มหาภูตรูปนะแต่ว่ามหาภูตรูปมันจะแปลสภาพให้เป็นแบบไหนอีกเรื่องนึงอะนะเพราะว่าไอ้รูปทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะว่าไปก็คือมหาภูตรูปใช่ไหมเป็ น, ปนใหญ่เป็นประธานในทุกภพเลยนะตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกก็คือก็มหาภูตรูปทั้งนั้นแหละแต่ว่ามหาภูตรูปเนี่ยมันจะให้ให้เป็นเช่นผิวพันธุ์เป็นยังไงหรือว่า รูปร่างกิริยาท่าทางโครงสร้างทางร่างกายเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งละแต่ว่า ก, ก็จะได้ผลมาเป็นมหาภูต ร, รูปเนี่ยนะแต่ว่ามหาภูต ร, รูปนี้ก็มีความหลากหลายอย่างที่กล่าวไปว่ามหาภูต ร, รูปเหมือนกับมหามหาพูดใช่ไหมตัวเองไม่สีเขียวแต่ว่าประกาศให้ผู้อื่นรู้เหมือนกับเป็นสีเขียวตัวเองไม่ขาวแต่ว่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าขาว เพราะไอ้ที่เขามันเป็นอุปาทายรูปที่เป็นสีเป็นแสงเป็นกลิ่นเป็นรสเนี่ยนะเป็นโอชาเป็นอะไรทั้งหลายแหละอันนั้นเป็นนามอ่าเป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่ใช่ตัวมหาพูดแต่มหาพูดนั่นแหละเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็หมั่นพิจารณาทีนี้รูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยตามที่พระองค์แสดงว่า ผู้ที่เพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งซึ่งรูปเนี่ยนะะเมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความยินดีก็เกิดขึ้นความยินดีนั่นแหละเป็นเป็นอุปาทา น, นนะความยินดีในรูปเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงจึงพูด น, นะเพราะชอบรูปนั่นแหละจึงพูดถึงรูป พรชอบรูปนั่นแหละจึงสแสวงหารูปทางกายเนี่ยนะเพราะชอบรูปอะจึงคิดถึงรูปอันนั้นแหละเป็นกรรมพบเนี่ยนะกรรมก็นําอะไรนําเกิดเนี่ยนะไม่อยากคิดเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษาคําสอนเราจะไม่คิดเลยว่าที่เราทำำําคําที่เราพูดสิ่งที่เราคิดหรือความคิดทั้งหลายแหละเนี่ยนี่เป็นปัจจัยสู่การเกิดใหม่หมดเลยเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้ใส่ใจในคําสอนมากๆเนี่ยนะอย่างที่ผู้การว่าก็ถูกแล้วว่า วันก่อนนะไม่ได้ว่าวันนี้เราว่าวันก่อนนะคขาบอกโอ้โหเราบริโภคสิ่งที่มีพิษตลอดเวลาเลยรช่เนี่ยก็บอกว่าคิดถูกต้องแล้วเนี่ยนะก็ทำคืออะไรอวิชาตันหากรรมเนี่ยมันก็คือเหตุของสารพิษอยู่แล้วนะมันเป็นสารพิษที่จะทำให้ก่ออุปาทานขันขึ้นอยู่แล้ว น, น, นะก็เป็นไปอย่างนี้แหละผมหมายถึงอ่ที่ที่ ที่โลกคือสัพเพสัตตาอาหารลัทธิติกาเนี่ยนะฮะผมก็มาตึกดูโอ้โหไอเราเนี่ยมีอาหารเนี่ยกินอยู่สี่อย่างเนี่ยนะอาหารทั้งอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องของเพราะว่าปัจจัยของของคีบิตก็คืออวิชชาใช่ไหมครับอตัตถนหากรรมนะโอ้ไอนี่มันพิษทั้งนั้นเลยผมนึกในใจนะบอกเราสัตว์โลกทุกคนเลยกินอาหารมีพิษหมด ก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยแต่ก็อันนี้เป็นผลของการบริโภคครั้งก่อนเนี่ยนะทำให้เจริญเติบโตมานี่และที่บริโภคอันใหม่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าไม่มีไอสิ่งที่ตรงกันข้ามมานะก็หวังไม่ได้จริงๆประการปฏิสนธิในพบใหม่หลายแห่งอุปมาว่าเหมือนการโยนท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเลครับ คุณแบบสมัยใหม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าโยนเหรียญบาทขึ้นเนี่ยไม่รู้จะออกโป๊กหรือออกก้อยเนี่ยนะออกหัวออกก้อยไม่ค่อยรู้ว่าถ้าโยนขึ้นนะไม่ค่อยแน่นอนโยนท่อนไม้ขึ้นในอากาศก็ไม่ค่อยแน่นอนว่าหัวหรือท้ายจะลงมากกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยังปฏิสนธิใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยที่ก่อรูปสร้างรูปใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยไม่มีอะไรบอกว่าแน่นอนว่ารูปที่สร้างรูปใหม่ต่อไปคืออะไร แต่ถ้าอย่างเช่นชาตินี้เราทั้งหลายมีพระรัตนะไตรเป็นสารณะก็นับว่าไม่น่าห่วงะนะพบต่อตพบชาติหน้าไม่น่าห่วงนักว่าผลของการถึงไตราสารณคมผลของการสมาทานศีลผลของกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้เชื่อว่าปกปักรักษามไม่ให้ไปสู่อาบายเพราะว่าการถึงสารณะการตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นต้นก็เป็นธรรมะที่ทําให้ปิดอาบายอยู่แล้ว ซึ่งพบนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนักนะนะสำหรับพบหน้าที่จะมีต่อไปแต่ถ้าเกิดพบหน้าแล้วจะมาทําอะไรใหม่คือจะมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมามีชีวิตอ่ะแต่ว่าไม่มีคําสอนเหมือนเดิมเลยนะคือคือไม่ได้ทําเหตุใหม่เลยนะอย่างปีสมมติว่าเหมือนกับปีนี้่ฝนตกเก็บเกี่ยวได้ข้าวไว้เยอะแต่ปีต่อต่อไปมันจะแห้งแรงอะ่ะแล้วจะบริโภคอะไรต่อไปแต่ถ้าเราเกิดมาในยุคนหน้าต่อๆไป สร้างอุปะสร้างรูปูปาฐานตขันขึ้นเนี่ยนะสร้างรูปขึ้นแล้วจะเอารูปนั้นไปทำอะไรเนี่นะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยนะที่เป็นปัใจจัยให้มีรูปอ่ะที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยมันก็แล้วแต่การสั่งสมเหมือนกันนี่ยนะทีนี้ชีวิตมันสั่งสมมามากเหลือเกินเนี่ยนะอย่างชาตินี้เราก็สั่งสมมาไม่รู้กี่ความคิดอะ่ะเพราะอย่าลืมว่าความคิดหนึ่งความคิดใช่ว่าจะไร้ผลใช่ไห นนโดยอุปนิสัยปัจจัยนี่ไม่ไม่ร้ายผลเลยเป็นปัจจัยต่อไปเรื่อยๆอย่าดูถูกว่าแหมไอ้ไฟเนี่ยมันกองนี้เดียวมันจะไม่ไหม้พระนครเนี่ยนะไฟแอกหัวไม่ขีดนิดเดียวเนี่ยนะอย่าคิดว่าจะไม่ไหม้พระนครนะอสสรพิทตัวนี้เดียวอย่าคิดว่ามันจะกัดแล้วไม่ได้ความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ลักษณะเดียวกันอย่าคิดนะว่าจะไม่เป็นปัจจัยต่อไปเนี่ยนะมันก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยให้ ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทีนี้ชีวิตสะสมความคิดมามากเหลือเกินเห็นมามากถามว่าสะสมมามากขนาดไหนมากจนเจริญพุทธคุณไม่ค่อยได้มากมากเกินกว่าจะมาคิดสักคำสอนยากนะนะหลังสมมามากเหลือเกินในก็ท่วมทับไปวันนี้วันนี้อ่านเจอคำหนึ่งนะบอกว่าพ ร, พระสิติสาวกที่กล่าวว่า เว้นอุปนิสัยเว้นอุปนิเสียปัจจัยในอนดีตแล้วถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วตัสรุ้ไม่ได้ในชาตินี้อาศีติสาวกนี่ถ้าไม่มีของเก่าบรรลุไม่ได้คือจะถึงความเป็นมหาสาวกไม่ได้จะเป็นเป็นสาวกผู้ใหญ่ไม่ได้ที่เป็นสาวกผู้ใหญ่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าชาติก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยประพฤติกรรมฐาน ที่เรียกว่านำกรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับถ้าอดีตชาติไม่เคยบริหารกรรมฐานมาเลยชาตินี้จะเป็นสาวกผู้ใหญ่ไม่ได้คําว่าสาวกผู้ใหญ่หมายถึงว่าผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนศิษย์เนี่ยนะบางองค์ก็มีลูกศิษย์ห้าร้อยเนี่ยนะพระมหาสาวกโดยมากมีลูกศิษย์องค์ละห้าร้อยอย่างนั้นเลซึ่งท่านเหล่านั้นจะต้องบริหารแนะนําสั่งสอนให้โอวัตลูกศิษย์เนี่ย ถ้าท่านไม่ได้สะสมอุปนิสยัยไม่ได้พิจารณาธรรมะในอดีตชาติเป็นอย่างมากแล้วท่านจะเอาอะไรมาแนะนำแนะนำสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรจะแนะนำอยู่แล้วแล้วคนปัจจุบันนี้มพูดถึงว่าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปการบรรลุมรรคผลเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปนิสัยปัจจัยในชาติก่อนด้วยไหมครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าถ้าไม่มีอุปนิสัยแต่ปางก่อนมาอย่าง ที่ที่ตอบเนี่ยนึกถึงเวลาพระพุทธเจ้าจะไปโปรโดใครเนี่ยนะพระองค์จะตรวจดูแล้วว่ามีอุปนิสัยเก่าไหมพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ไหมก็ตรวจดูอย่างนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วเราฟังโอ้คนสมัยนั้นเขาฟังเทศแล้วบรรลุเขาฟังเทศแล้วบรรลุเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรวจหมดแล้วจึงไปเทศว่าเทศอย่างนี้ตอนถึงตอนนี้เขาจะบรรลุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเขาพงเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปแล้ว嘛 หรือถาม ถ, ถ้าพูดอีกในหนึ่งบอกเห็นตั้งแต่นั่งโคลนโพอยู่แล้วว่าจะสงเคราะห์ได้ยังไงเขาจะบรรลุได้ปริมาณเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกประสรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ค่อยพลาดแต่ทีนี้อย่างของของเราทั้งหลายในยุคนี้่ไม่มีอะไรมาเป็นม่เป็นเครื่องวัดมาพยากรเราเลยว่าคุณเนี่ยนะต่อไปคุณจะสีลดีมากขึ้นอ่า จิตคุณจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านขึ้นเพราะคุณจัดส ป, ปาวาให้ชีวิตเป็นและคุณน่าจะพิจารณาขันอายตนาธาต์มากขึ้นเนี่ยนะถ้าของเราเองอ่ะตั้งอุปนิสัยไว้แบบนี้ก็เป็นไปได้เนี่ยนะเช่นตื่นเช้ามาก็สมาทานว่าวันนี้กุศลศีลเราต้องดีขึ้นเจริญอนุสติต้องเข้าใจมากขึ้นพิจารณาขันอายตนาธาต์มากขึ้น นะแต่ถ้าตั้งจิตไว้แบบนี้เสมออธิษฐานบ่อยๆสมาทานบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆเป็นไปได้แต่ถ้าก็ก็เช้ามาก็เช้าตามดวงอาทิตย์นะเย็นก็เย็นตามดวงอาทิตย์เฉยๆอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยไปวันๆนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะบำเพญ็ญอะไรให้ยิ่งขึ้นเลยก็ก็คงไม่เกินเท่าเดิมมากเท่าไหรนะน่นะนะมันก็เดิมๆเดิมๆนั่นแหละบริหารขันไปนี <laughs> ่มาดู สังยุตตนิกายขันธวรรวันะเป็นพระสูตรที่สองในหน้า18นะข้อหกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, ะนิคมเทวะทะหะของสากยะทั้งหลายในสักกชนบทเนี่ยนะนะถ้าสมัยนี้ก็พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ประเทศเนปาลนันะ่นเอง ครั้งนั้นเลยภิกษุมากรูปด้วยการปรารถนาจะไปสู่ปัจชาภูมิชนบทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทคือกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะไปสู่ปัจชาภูมิชนบทเพื่ออยู่อาศัยในปัจชาภูมิชนบท ก็แปลว่าจะไปอยู่บําเพ็ญสมณธรรมณนะ์ปัจชาภูมิเนี่ยนะคือพิจารณาว่าสถานที่คือปัจฉาภูมิชนบทนี้เป็นที่สัปายะสําหรับท่านเนี่ยนะท่านจะไปอยู่ที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เธอทั้งหลายลาสารีบุตรแล้วหรือพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้ลาท่านพระสารีบุตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปลาสารีบุตรสารีบุตรนี้เป็นบัณฑิตอนุเคราะห์เพื่อนสะพรมจารีเนี่ยนะพิสูจนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสาธุหรือว่ายังนั้นพระเจ้าค่ะคำว่าพระสารีบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนสะพรมจารีเนี่ยนะอนุเคราะห์นี้เป็นการอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์สองอย่างเนี่ยนะอนุเคราะห์สองอย่าง อย่างที่หนึ่งเรียกว่าสงเคราะห์ด้วยอมิตรนี่ยนะคือสงเคราะห์ปัจจัยสี่ทั้งหลายต่อต่อสมัยใหม่นิยมใช้คำว่าลูกศิษย์เนี่ยนะแต่สมัยก่อนเขานิยมว่าสะพรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจารย์ร่วมกันในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเช่นท่านมีจีวรท่านก็แจกจ่ายมีอาหารท่านก็แจกจ่ายเนี่ยนะแล้วถ้าพระภิกษุไหนป่วยเนี่ยนะท่านก็จะเข้าไปดูแล ว่าขาดอะไรบ้างจะช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างอะไรบ้างถ้าไม่มีคนอุปทาท่านก็จัดหาคนอุปทาท์ให้ถ้ายาไม่พอท่านก็สแสวงหายาให้อะไรให้เนี่ยนะท่านเข้าไปอนุเคราะห์เพื่อนสัพพรมารีด้วยวัตถุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอามิด น, นะสงเคราะห์ด้วยอามิตรอย่างที่สองท่านสงเคราะห์ด้วยธรรมะเนี่ยนะก็คื อ, คอสงเคราะห์ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในคําสอนเนี่ยนะสงเคราะห์ให้เขาเจริญ ง, งอกงามในศีล นไงอกงามในปัญญาเป็นก็คือสงเคราะห์ให้เห็นพระธรรมคําสอนบรรลุมรรคผลแล้วภาษาฤาษีบทเนี่ยนะโดยมากถ้าท่านสอนท่านก็จะตั้งเป้าเลยว่าจะต้องสอนให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะบอกว่าภาษาฤาษีบทนี้อนุเคราะห์สะพรมจารีทั้งหลายเหมือนแม่อันนะัคือให้คลอดในาศาสนาก่อนคือความเป็นพระโสดาบันนี่ถือว่าแจ้งเกิดในาศาสนานี้นะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องช่วยให้เป็นพระโสดาบัน ส่วนพระโมคคลานะเป็นเหมือนพ่อคือเลี้ยงดูให้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปอใครพระโมคคลานะนี่เหมือนเหมือนกับพ่อหรือพี่เลี้ยงเนี่ยนะก็เหมือนกั น, น, นนะคือส่งคราะหให้คือเป็นผู้เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตด้วยมรรคอย่างอื่นๆ อ, อ, อีกสโสดาสกัาคามีมรรคอานาคามีมรรคอรหัตตมรรคเนี่ย น, นะก็มีในปฏิสัมพิธามมรรคนะ มีในปฏิสัมพิธามักยุลนิเทศเนี่ยนะท่านสอนอย่างงั้นแหละ <laughs> นะไม่พูดถึงภาษาบุตรทธนะที่ที่ท่านแนะนําเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายเนะี่ยดูเอาเถอะเทนทุตระสูตรเนี่ยนะเดี๋ยวจะบอกสูตรให้ก็ได้สังคีติสูตรยังไงเนี้ยนั่นแหละทศตระนะสูต ร, ตรธรรมทาญาตสูตรเนี่ยนะนะสัมมาทิฏฐิสูตร แล้วก็ถ้าว่าโดยผลงานใหญ่ๆเลยก็ปฏิสัมพิธามัคจุลนิเทศมหานิเทศเนี่ยนะนะครับนั่นแหละผลงานของท่านทั้งนั้นแหละตอ <ๆๆ S 1> นๆๆท่านก็สงเคราะห์เหล่าสะพรมพเพื่อนทั้งหลายด้วยธรรมะเนี่ยนะ